วันแต่ละวันที่ผ่านไปนะเราได้ทำความดีบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ได้สร้างธรรมะนะให้เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะเรียกอริยทรัพย์นะ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 รู้จักสละทรัพย์เงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่เป็นเปรียบกับส่วนรวมต่อไปก็สละอย่างอื่นด้วยนะสละน้ําพักน้ําแรงนะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะภาพบทิสานี้ท่านตั้งใจจะสละแม้กระทั่งอวัยวะนะอย่างพระเวสสันดรนี่ เมื่อโตขึ้นรู้ความเนี่ยก็ตั้งใจว่าเนี่ยพร้อมจะสละแม้กระทั่งดวงตาและต่อมาก็พร้อมที่จะสละแม้กระทั่งเอา ว, วัยวาอย่างอื่นรวมทั้งชีวิตนะอันนี้เลยว่าเป็นการบำเพ็ญปรมตทบารมีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะ และบารมีที่บำเพ็ญนะมันก็ช่วยทำให้ความเพ่งตัวลดน้อยถอยลงทำให้จิตใจพร้อมที่จะรองรับนะการตัดสรุปอย่างที่พระองค์กนะ็ได้ทำสำเร็จนะเมื่อได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ อยู่ในวังที่สุขสบายนะแต่ก็ไม่พอใจเท่านั้นทำสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการออกบวชถ้าพระองค์เนี่ยจะคิดว่าโอเราเป็นพระโอรสหรือว่าต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์เราก็สละเงินทองสละทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอุปถัมภ์สมนาชีพรามแค่นี้ พอใจแล้วนะแต่ไม่ใช่วิสัยของพระองค์นะเพราะคิดว่าทำได้มากกว่า น, นั้นก็คือการออกบวชนะทิ้งปราสาททิ้งทรัพสมบัติแม้กระทั่งต้องพร้อมจะลาจากนะคนรักครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกนะนางยโสธราราหุล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 การรักษาศีลกับเป็นการตะกอนเนี่ยศีลห้าอรักษายากเหลือเกินแต่ว่าทําไปทุกวันทุกวันทําไปบ่อยๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายต่อไปก็ขยับนะเลื่อนคั้นมาถือศีลแปดนะถือศีลแปก็ยังยากอยู่อดเข้าเย็นนะหรือว่าการละทิ้งสิ่งบันเทิงเรองรมใหม่ๆก็ต้องทําแค่อาทิตย์ละครั้ง วันพระวันศีลแต่ต่อไปก็ทำทุกวันพอทำไปทุกวันกลายเป็นเรื่องง่ายคราวนี้ก็ถือศีล2 2 7เลยคือออกบวชาอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะใหม่ๆที่มาจำพรรษานะโดยพระพระใหม่ก็สอโอมันยากนะต้องตื่นแต่เช้าตีสามนะเราต้องทำความเพียร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 ปฏิบัติบูบชาเป็นอาเจริบูชานะที่ทำถวายหลวงพ่อคำเขียนนะพราะ่สิบสามสิงหาเนี่เป็นวันที่คล้ายวันมรณภาพของท่านนะเรากนะ็ใช้โอกาสนี้แหละนะทำความเพียรเพื่อเป็นปฏิบัติบูบบบชาบางคนเนี่ยพอพูดว่า๊ยปฏิบัติข้ามคืนเนี่ย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 เร่งเรานะให้เกิดขันให้เกิดขันติแล้วก็วิริยะความอดทนและความเพียร น, นะบางทีคนเราเนี่ยถ้าจะทำในวันที่ธรรมดาธรรมดามันก็อาจาจะไม่มีความกระตือรือร้นหรือความอดทนเท่าไหร่นะแต่พอระลึกว่าเออเรามาทำเพื่อถวายครูบาอาจารย์เป็นปฏิบัติบูชานะ ไอ้ศรัทธาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีกำลังนะคนเราเนี่ยถ้าศรัทธาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านะรวมถึงคุณธรรมข้ออื่นด้วยเช่นเมตตานะบางคนเนี่ป่วยหนักนะแต่ว่าเมื่อนึกถึงลูกนะว่าเออเราป่วยเพื่อลูกนะเรายอมอดทนเพื่อนะ ให้ลูกเขาไดา้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเราหรือว่าอยู่เพื่อจะได้อดทนกับความเจ็บป่วยจะได้หายหายป่วยแล้วก็จะได้ไปไปอยู่ด้วยกันกับลูกเนี่ยบางทีเนาตงถึงลูกนึกถึงคนรัก ถ, ถึงพ่อแม่ก็ทำให้อดทนนะกับความเจ็บป่วย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 ทำให้มีกำลังในที่ท้อแท้ก็เกิดมีนะความรู้นื้รู้รตัวขึ้นมาทำให้อดทนกับความเจ็บป่วยได้พอมารู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าอ๋อเป็นเพราะมีเพยาบาลคนหนึ่งเวลาทุกเช้าก็มาเยี่ยมคนป่วยคนไหนที่ พูดคุยได้แกก็พูดให้กําลังใจใครที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแกก็สัมผัสตัวแล้วก็แผ่เมตตาไปให้อพลังแห่งเมตตาเนี่ยที่ช่วยดึงจิต ด, ดึงใจของคนไข้คนนี้เนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะตายให้ได้พอได้ได้รับพลังบางอย่างนี่ก็กลับมีความผ่อนคลายก็เลยรั่วออกเป็นพพยาบาลคนที่ช่วยเรานะแต่ถึงแม้จะรู้สึกตัวก็อาการก็ยังยังเสี่ยงอยู่ มีคืนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยมากนะหายใจลําบากจะตายให้ได้ตอนนั้นสือว่าตายนี่ง่ายก็อยู่แต่พอนึกถึงพยาบาลคนนี้ขึ้นมานึกมาว่าเนี่ยถ้าพยาบาลเขามาเยี่ยมตอนเช้ารับเขาว่าเราตายพยาบาลเขาคงจะรู้สึกผิดนะว่าเขาทาอะไรไม่ถูกหรือเปล่านะคนไข้ถึงตายใจก็เลยพยายามที่จะอยู่จนถึงเช้าฉะนั้นที่ตอนนั้นตายนี่มง่ายก็อยู่นะแต่พยายามอยู่ถึงเช้าเพื่อจะบอกพยาบาลว่า ถ้าผมตายคุณนะอย่าไปเสียใจนะเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณเขาก็ทนได้จนถึงเช้านะพอเช้าอาการก็ดีขึ้นพยาบาลมาเขาก็ลืมบอกลืมล่ำลาตกกลางคืนเป็นใหม่นะก็นึกถึงพยาบาลคนนี้แล้วว่าถ้าเขามาเจอว่าเราตายนี่เขาจะคงเสียใจนะว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่า มันต้องอยู่ไวถึงเชา้าเพืจะบอกเขาว่าผมไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ใช่ความผิดของคุณก็อยู่จนถึงเชา้านะพอพอเชา้าร่างกายดีขึ้นก็ลืมบอกลืมล่าลาพยาบาลไปอยู่สองสามครั้งนะจนกระทั่งกลับมาเป็นปกติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่คนเราเนี่ยบางทีนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันทําให้มีกําลังวังชาทําให้มีความอดทน อันนี้เป็นพ่อมีเมตตากับเพียบาลแต่ว่าศรัท ธ, ธาก็ช่วยได้เหมือนกันนะเช่นเรามีศรัท ธ, ธาในหลวงพ่อหลวงพ่อท่านสอนเราท่านเพียรอุทิตฐนเพื่อสอนให้เรามีความเข้าใจธรรมะมีสติมีความรู้สึกตัวถึงวันที่ท่านจากไปเราก็ยังระลึกถึงท่านพอมาโอกาสที่ครบรอบนะการบรรณาภาพของท่านเราก็จะทำความเพียร ก้อยมู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าตั้งใจทำเพื่อถวายท่านนะไอ้แบบนี้มันก็ทำให้นะเกิดวิริยะเกิดความเพียรขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรุ่งนี้เนี่ยนะก็เชิญชวนนะใครที่มีเวลาหรือว่าอยากจ ะ, ะถวายปฏิบัติบูชาให้กับหลวงพ่อแม้จะไม่เคย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 แล้วก็จะมีการแสดงธรรมทุกต้นชั่วโมงนะไปจนถึงธรำวัดเช้าเลยนะเสร็จแล้วตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จก็จะไปอาจจะเดินกันเป็นแถวนะเพื่อไปอสักการะหลวงพ่อนะก็จะมีดอกไม้นะอาจจะมีทูบเทียนไปนะสักการะท่านอันนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาแต่ก่อนที่จะทําอามิสบูชาเราทําปฏบิบัติบูชาก่อนนะ